วันนี้ก็คล้ายวันมรณะภาพของหลวงพ่อเทียนจิตสุโภท่านมรณภาพนะเมื่อสามสิบห้าปีมาแล้วทั่วนี้นะหลายท่านนะก็ยังระลึกนึกถึงหลวงพ่อเทียนอยู่นะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วโดยเฉพาะคนที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะกับหลวงพ่อหรือบางทีก็เรียกว่าหลวงปู่ สมายที่ท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยท่านก็ได้รับการยกย่องนะจากหลายท่านว่าเป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติแล้วก็หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นภาคดุริยมก็ประทับใจในตัวหลวงพ่อเพราะว่านอกจากคำบรรยายแล้วการตั้งคำถามของหลวงพ่อไม่กี่ประโยค หรือแม้กระทั่งการกระทำบางอย่างนี้ก็สามารถปลุกคนให้ตื่นได้หรือว่าเกิดการได้คิดขึ้นมาหรือว่าบางทีก็ถึงกับเข้าใจธรรมะเลยนั่นก็หลายคนก็ยังระลึกนึกถึงหลวงพ่อเทียนหรือหลวงปู่เทียนอยู่แต่ท่านก็เหมือนกับครูบาอาจารย์หลายท่านนะ หรือทุกท่านเลยก็ว่าได้ที่เป็นพระก็คือท่านเคยเป็นคฤหัสถ์หรือคารวะมาก่อนและตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์หรือคารวะเนี่ยท่านก็เรียกว่ามีความสนใจในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติตัวนกระทั่งสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐนะของคารวะเลยทีเดียว ตรงนี้คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็พูดถึงหลวงปู่หลวงพ่อเทียนเมื่อเป็นพระแล้วเมื่อเป็นอาจารย์กรรมฐานแล้วแต่ตอนที่ท่านเป็นขลุหันนี่ก็เรียกว่าท่านเป็นแบบอย่างได้เลยนะของคฤุหันหรือรอุบาสกในพุทธศาสนาเพราะว่าท่านไม่ได้เอาใจใส่ ขนขวายในเรื่องการทํามหากินเท่านั้นนะในส่วนนี้เนี่ยท่านก็เรียกว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานประกอบอาชีพขยันอย่างเดียวไม่พอเนเชลาดด้วยสามารถที่จะประสบความสําเร็จในฐานะพ่อค้าอย่างรวดเร็ว ท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้านะขนสินค้าขึ้นล่องแม่น้ำโขงแล้วก็ยังเป็นคนกลางนะในการซื้อขายฝ่ายก็เรียกว่ามีฐานะที่ดีร่ำรวยแล้วก็ยังอดอนะ้อนด้วยนะอดออมไม่สู่รุ่ยสู่ร่าย เล่าบุรีก็ไม่แตะแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแท่านี้ก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้วนะของคารุษฐ์แต่ว่าท่านทำ ม, มากกว่านั้นนะคือแม้ท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองมากแล้วก็มีเรียกว่าชื่อเสียงเป็นที่เคารพนะีนะ่ชาวบ้านก็ยกย่องท่านนับถือท่านจงเลื่อนให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็เรียกว่ามีทั้งทั้งลาบทั้งชื่อเสียงแต่ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระท่านสนใจสิ่งสำคัญ น, นะคืออริยรัพเ์นะเพราะนั่นก็เลยขยันทําบุญนะขยันให้ทานแล้วก็รักษาศีลด้วยรวมทั้งบาเพ็ญภาวน า, าคน จนวไม่น้อยเนี่ยพอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้วก็รุ่มหลงในเงินทองในชื่อเสียงแต่หลวงพ่อเทียนซึ่งตอนนั้นเรียกว่าพ่อพันเนี่ยท่านรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่สรณะอารีย์ทัพย์เนี่ยสำคัญกว่านะบุญนนั้นตอนก็เลยให้ทานรักษาศีลแล้วก็บริเป็นพรนาอยู่บ้างเรื่องการทำบุญน้ำทานนี้เรียกว่าท่านเต็มที่เลยและ เพราะการทำบุญนี่แหละนะที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านเพราะว่าตอนที่ท่านอายุ40เนี่ยก็เรียกว่าประสบความเสเร็จมากแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าภาพทอกระถินในหลายวัดมีคราวนึงก็ทอดกระถินที่เมืองลาวนะเพราะท่านค้าขายขึ้นล่องแถวนั้นอยู่ประจำงานกระถินเนี่ยก็ ที่นั่นก็เหมือนกับที่อื่นนะก็คือมีหมอรศบมีหมอนลำมีการใช้หนังหลวงพ่อท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยทหน้าที่จ่ายเงินคนะ่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยมอบหมายภรรยารวมทั้งค่าอาหารด้วยส่วนท่านนี่ก็จะขอถือศีลแปดแล้วก็รับแขกอย่างเดียว ทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีนะ่จก น, นกระทั่งวันท่ากัะทิลแหละตอนเช้าภรรยาก็มาถามท่านว่าค่าจ้างหมอลําเท่าไหร่หลวงพ่อเทียเนี่ยหรือพ่อพันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอได้นี่โกรธมากเลยนะมอบหมายให้แล้วคุยกันแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกท่านบอกตอนนั้นท่านโกรธมากนะความรู้สึกเนี่ยหนักจกนกระทั่งแทบจะลุกไม่ไหวแต่ท่านก็ข่มใจนะ แล้วก็พูดกับภรรยาไปว่าเนี่ยค่าจ้างเท่าไหร่แต่ความกรวนนี่ก็กลุ่นอยู่ในใจนะทั้งวันเลยนะแม้ทอกรถินเสร็จแล้วนี่ท่านก็ยังมีอารมณ์ขุนโมยู่จนตอนเย็นเนี่ยมีการทานอาหารร่วมกับภรรยาท่านก็เปอยเผยขึ้นมาหลายครั้งเลยนะว่าคนที่ไม่รู้จักเคารพนักถือกันก็อย่างนี้แหละพูดมาหลายครั้งเนะี่ย ภรยาก็เอกใจก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงเนี่ยภรรยาก็พูดขึ้นมาเลยนะโอเจ้าไม่พอใจฤๅษีเนะี่ยเจ้าตกนรกแล้วทอดกรถินเจ้าก็ไม่ได้บุญตอกความพูดนี้เนี่ยเรียกว่ากระทบท่านอย่างจังเลยนะแต่แทนที่ท่านจะโกรธท่านได้คิดเลยนะว่าเออ ให้เรานี้ขนาดทาบุญรักษาศีล น, นะมาม่านี่ยังไม่พ้นทุกข์เลยยังโกรธอยู่แล้วมาในแง่หนึ่งเนี่ยความโกรธนี่ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าทําให้ท่านรู้ว่าเนี่ยท่านต้องทําอะไรมากกว่าการทําบุญให้ทารักษาศีล น, นั่นคือฝึกจิตฝึกใจด้วยการภาวนาและตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยท่านมุ่งมั่นเลยนะว่าท่านจะ ทุ่มเทให้กการภาวนาเรื่องค้าขายต่างที่ท่านไม่สนใจแล้ววางแผนนะมอบหมายกิจการให้ลูกๆ ก, กว่าจะศาสสางได้ก็ใช้เวลา3ปีตลอดเวลานี้ก็นึกถึงเรื่องแต่ว่าเนี่ยจะทุ่มเทกการทำกรรมฐานอย่างเต็มที่และสุดท้ายเนี่ยท่านก็นะสามารถที่จะวางภารกิจ การงานได้แล้วก็ไปทำกรรมาฐานจนกรทั้งได้เข้าถึงธรรมตั้งแต่เป็นค า, ารวะนะอันนี้แหละถึงผู้ว่าเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างของคฤหัสนะอุบาสกชาวพุทธนะก็คือว่านอกจากประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วก็ยังเห็นว่าอันนั้นไม่ใช่สาระแต่มุ่งการเข้าถึงประโยชน์ทางธรรม แล้วก็ไม่ได้ติดอยู่แค่าการให้ทานรักษาศีลแต่ว่าใส่ใจอาการภาวนาและที่ท่านหานมาทุ่มเทกการภาวนาอย่างเต็มที่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เพราะภรรยานี่แหละภรรยานี่ต่อว่าท่านนั่นก็เลยว่าต้องขอบคุณนะขอบคุมคำต่อว่าขอบคุณที่ด่านะในถ้ท่าพูดแบบภาษาใหม่เนี่ยขอบคุณที่ต่อว่า เพราะทาไม่ต่อว่านี่หลวงพ่อเทียนก็คงจะไม่หันเหชีวิตมาให้กับการภาวานาแต่ต่อว่าแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีความโกรธมาช่วยเสริมแนละ้วก็คงจะไม่ตระหนักหน้าว่าการภาวานาเป็นเรื่องสําคัญไอ้ความโกรธนะที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นเนี่ยพ้าวานันทอดกับถิ่นเนี่ยมันทําให้ท่านรู้เลยว่าท่านมีการบ้านที่ต้องทําคนหลายคนเนี่ยพอเจอความโกรธแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะ ปล่อยใจให้ทุกข์แต่ว่าหลวงพ่อทุกข์หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านทุกข์ไม่นานนะท่านก็ได้คิดเลยนะว่าให้เราทําบุญมากมายนี่ก็ยังโกรดอยู่ยันต้องหันมาทุ่มเท้กการภาวนาแล้วท่านก็ภาวนาจริงจังนะจนกระทั่งได้เข้าถึงธรรมก่อนเป็นพระด้วยซ้ำการภาวนานี่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระเท่านั้นนะเป็นหน้าที่ของโยมด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ทําบุญให้ทารักษาศีลเท่านั้น และจุดเปลี่ยนของท่านนี่ก็ยังชี้เห็นนะว่าคำด่าคำต่อว่านี่มีประโยชน์นะความโกรธก็มีประโยชน์นะพอท่านท า, าไม่โกรธท่านก็ไม่ชีวิตท่านก็ไม่พลิกเปลี่ยนถ้าไม่ถูกต่อว่าท่านก็ไม่ได้คิดอันนี้ก็สอดคล้องที่พูะเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อเขาต่อว่าเมื่อเขาชีโดด้โทษเมื่อเขาขนาบเนี่ยพึงมองว่าเขากลังชี้ขุมทรัพย์ คำต่อว่านี้มันก็เหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์ได้เหมือนกันนะและหลวงพ่อเทียนหรือพ่อพันนี้ท่านก็เข้าใจตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยได้รับการชี้ขุมทรัพย์ทําให้เกิดการได้คิดและเข้าหาการปฏิบัติธรรมแต่จนกระทั่งพ้นทุกเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคราวะนะพวกเราเนี่ยก็สามารถจะได้รับบทเรียนหรือเรียนรู้จักแบบอย่างของหลวงพ่อเทียนได้มากทีเดียวนะ จึงบอกได้ว่าเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างของอุบาสกในพุทธศาสนาที่ประเสริฐมากซึ่งมุมนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมองเท่าไหร่